ขนานแค่นี้นี่ยังทุกข์เลยเราจะพูดถึงเรื่องนิพพานได้อย่างไรนะอยากจะไปนิพพานนะแต่ว่าแค่เจอความทุกข์ลมปากแค่นี้นะก็ย่ำแย่ซะแล้วถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไอนะความทุกข์จากลมปาก ข, ของผู้คนนี่มันเล็กน้อยมาก ทำงานไม่สำเร็จแล้วหัวฟาดหัวเบี่ยงฉุนเฉียวนะก็ลองถามตัวเองว่าเนี่ยแค่นี้ยังทุกข์แล้วจะไปนิพพานได้อย่างไรนะเพราะว่าอั น, นิพพานนี่กว่าถึงนิพพานนี่มันต้องเจอกับทุกข์ที่หนักหนาสาหัสกว่านี้เยอะการที่เราเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายชีวิตเนี่ยมันนอกจากจะทำให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังทำให้เรา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 นะแต่พวกเราเนี่ยพออยู่ในนะอยู่ในวัดเนี่ยนะไม่ค่อยเจอเรื่องที่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องความเป็นความตายเท่าไหร่มีกินนะมีอยู่มีอาศัยพอเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะมันก็เลยนะหัวฟัดหัวเวี่ยงแล้วพอติดเพราะว่าเป็นทุกข์กับเรื่องเล็กๆนน้อ ย, น, อยนี่แหละนะไอ้ความคิดที่ว่าไอ้ความหวังว่า จะได้พ้นทุกจะได้นิพพานเนี่ยก็มันกลายเป็นเรื่องไกลไปเลยท่านั้นเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะกับพระนิพพานนะว่าเป็นจุดหมายของชีวิตเราจริงๆเนี่ยนะมยทำให้เราเนี่ยนะสามารถจะรับมือกับความทุกข์ความขัดอกขัดใจต่างๆได้แทนที่จะหัวเสียนะกับสิ่งที่มากระทบใจ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 ให้การที่เราเอาพระนิพพานเนี่ยเป็นเป็นที่หมายของชีวิตเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นแบบฝึกหัดนะที่จะเราต้องรู้จักใช้นะเพื่อก้าวข้ามมันให้ได้มันเหมือนกับเนินเนินดินนะที่เทียไม่ได้กับภูเขาลูกใหญ่ใหญ่อย่างเช่นภูเขาฮิมาลายนะถ้าเนินดินเลยเรายังข่าไม่พ้นนะ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 อย่าไปรอคิดว่าคุณจะแก้ทุกให้เราอย่าไปคิดว่าคุณหนิเขาจะอะทําดีถูกใจเรามันเป็นความหวังลมล้นแรงๆนะหากจะให้คนทุกคนทําดีกับเราหรือว่าทําสมใจเราต้องลองนึกว่าถึงแม้จะไม่มีใครนะอทําดีกับเราเลยเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นสุขได้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 แค่ยกประตักและม้านี่เห็นเงาประตักนะประตักเนี่ยคื อ, อเหมือนกับของแหลมที่ใช้ทิมนะใช้ทิมใช้ทิมสัตสัตใหญ่จะเป็นม้าจะเป็นวนะัวควายเพราะว่าบังคับมันจะตีมันมันก็เฉยนะต้องเอาประตักทิมม้มาประเภทแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะตรงไป ประเภทที่สองที่ต้องโดนทิมก่อนนะมันหนึงจะรู้ว่าควรจะไปทางไหนประเภ ท, ทสามนี้ทิมเเดียวไม่ได้ไม่พอน้องทิมไปถึงเนื้อนะมันหนึ่งจะรู้แล้วก็ทําตามคนขับสารถีประเภทสี่ต้องทิมไปถึงกระดูกเลยเนี่ยถึงจะรู้มาสีประเภทนี้ก็เป็นเรื่อคนสี่จำพวกนะจาพวกแรกเนี่ยคือว่าคนที่เพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายเนี่ยก็เกิดความ